วันออกดอกช่อนั้นแดงบานงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนณนทั น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัง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 นำเรื่องราวสารานารูมาพูดมาคุยกันรัฐบาลเห็นชอบโครงการที่เสนอไปนะครับนะโดยเฉพาะโครงการที่เรียกว่าเราชนะนะโดยจากการเปิดเผยของนายสุภัฒนพงษ์พันมีเชาวรองนายดนตรีดนตรีพลังงานนะครับแล้วก็นายคมพิทยาภายัยศิลดนตรีคลังนะครับก็มาเปิดเผยแถลง นะการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะจากการระบาดของโควิด -19 โควิด -19 ซึ่งรัฐบาลก็ใช้ชื่อว่าโครงการเราชนะนะแล้วก็โครงการคนละครึ่งนะบอกว่าก็เห็นชอบกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมคลรมอนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายก็จะช่วยค่าครองชีพให้ประชาชนเดือนละ 3,500 บาทสองเดือนรวมกันคนละ 7,000 บาท ครอบคลุม3 1มล้านคนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อนุมัตินำเงินกู้มาดำเนินงานภายในวงเงินประมาณ2 0งแ0 0ล้านบาทนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนก็บอกว่าบัตรคนจนนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่แหละครับนะแล้วก็ a อ p พลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็บอกว่าไม่สามารถเบิกมาใช้เป็นเงินสดได้ นะครับก็เป็นการหวังดีบอกว่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยนำไปใช้ซื้อสินค้าของใช้ที่จำเป็นนะครับนะก็คือคงไม่อยากให้ชาวบ้านไปซื้อสุร่ายาเมาอะไรน้องนัับนะแล้วก็ไปใช้ไปไปใช้จ่ายในร้านค้านะครับที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็ไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะครับแล้วนะก็ให ให้ให้ให้อยู่ในแอปพลิเคชันในให้มือถือนะครับนะนะส่วนรัฐมนตรีรองน้ำตรีสุพัฒพงศ์นี่บอกว่ า, าก็บอกว่ า, าไม่ให้ใช้เงินสดเพราะว่ากลัวจะติดโควิดบ้างนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาเป็นสังคมไร้เงินไร้เงินสดอะไรต่างๆเหล่านั้นนะนั่นก็เป็นเหตุผลที่พอมีสื่อมวลชนหรือชาวบ้านวิพากษ์วิจารณกันมาก นะครับนะก็รัฐก็ออกมา <S <S มามาม า, มาอธิบายเหตุผลนะครับนะส่วนที่บอกว่ามีคนมีไรายได้น้อยเนะี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีเป็นโหลดเอาแอปเป๋าตังมาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ ก, ก็ก็บอกว่าต้องหาเงินมาซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับก็เป็นแนวเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของรองนายกตอบโต้กับสื่อนะซึ่งสื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กั น, นะครับนะ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นอย่างไรส่วนในส่วนของนายอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิ่มตีคังก็บอกว่าผู้ที่จะได้รับสิทธ์ตามเงื่อนไขจะได้รับเงินรวดแรกในช่วงต้นเดือนกุมภาโดยจะใช้เงินก้อนนี้ไปจนถึงเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมศกนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ ใครที่ได้รับสิทธิ์ก็ไปใช้นะครับนะซึ่งก็จะใช้กอ บ, บวงเงินประมาณ2 0 0แสนล้านนะก็หวังว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนะครับกกระตุ้นพยายามที่จะให้มันหมุนเวียนนะครับนะพราะตรงนี้นะครับแ้วรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอาชีพนะไม่ว่าจะ เป็นแหวบหาเล่แผงลอยรับจ้างเกษตรกรนะประมาณ31ล้านนะซึ่งก็มีคุณสมบัติต่างๆนะครับนะ ม, มีสัญชาติไทยอายุ18ปีแต่ที่สำคัญคือยังมีข้อหนึ่งคือไม่เป็นผู้ประกันตน ต, นตามมาตรา33ของประกันสังคมเพราะฉะนั้นในคนที่ทำงานบริษัทโรงงานที่ ส่งเงินประกันสังคมไม่ได้นี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วครับคนกลุ่มนี้ก็อยากจะได้ให้ให้ใหค่าเยียวายานะก็เป็นข้าราชาการก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นะในโครงการนี้พลข้าราชาการพนักงานลูกจ้างที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐนะที่ได้รับผลตอบแทนของรัฐนะครับนะเพราะในตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะและผู้ที่เป็นข้าราชาการบํานาญก็ไม่ได้นะครับนะก็ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็มีเกณฑ์อยู่นะครับต้องไปตรวจดูนะครับตามหลักเกณฑ์ว่าท่านจะเข้าใขร่หรือไม่นะครับนะเพราะตรงนี้นี่ก็คงจ ะ, ะต้องดูนะครับต้องดูเหมือนกันว่าจะจะเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ก็ก็ดูะครับนะดูว่าค น, คนที่จ ะ, ะได้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะก็มีทั้งคนที่หลายคนก็อยากเรียกร้องให้มีการเดียวยากัน ท่วนหน้าโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มแรงงานกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกันตนนะในในกองทุนประกันสังคมและครับเขาก็อยากจะได้เหมือนกันตรงนี้จะต้องให้ในส่วนของรัฐบาลไปพิจารณากันกันดูนะครับรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันครับ โควิดนายทินจากเมืองจีนข้ามแดนเข้ามาส่งแม้ให้นางตางหน้ากับแ่นกออสามพ่อหน้ากันหากเดินแต่ก็มาเจอบ่ไววคิดลาจนบอกเป็นอังทางา เสพตีเมืองไทยชาไปโรกรายเล่นงนะานใส่แม่เท็ดเวียกอยู่บ้านอยู่ไผยอยู่มันคือทางรอดตายอย่าอยู่ใกล้ภายอย่าให้ผู้ใดใกล้เธอบ่แม่นห่วงเดือยานเจอโควิดจากคนชิดใกล้ ส่วนอายนหรือใช้เจลล้างมือคุณเด็กก่อนล่หากแหงแพงปานหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเด้อลาขอแรงคนไทยต้านไทยรุ่งรานหากันและมีสติมีหนทางฝ่า คอยเบิกหน้าจอรออายออนไลน์ส่งหายัางเอาเดิออยสัญญาเมืออ่อโควิดซาสิมากอหนน้าะ จให้ผู้ใดใกล้เธอบอ่าแมนห่วงเด้อยานเจอโควิดจากคนชิดใกล้ส่วนอ้ยนรือใช้เจลล้างมือคุณเด็กก่อนลลยหักแหงแพ ง, งปานหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเด้อล่ ตานภัยรุกรานหากันและมีสติมีหขทางฟ้า mm hmm. คอยเบิงหน้าจอรออายออนไลายส่งหา mm hmm. ยัางเอาเด อ, อายสัญญาเมื่อโคบิดซาสิมากอด น, นา mm hmm. แพงทิ้งรออายเดือลาเมื่อโค ส eh? ิมาคิดดอกหัวใจ มาพูดมาคุยกันต่อใ น, ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นี่ก็ อ, อย่างอย่างที่บอกเรามาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลื อ, อผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะจากการระบาดของโควิด -19 นี่เราจะเห็นตัวเลขนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเราก็ในส่วนของอหน่วยงานของรัฐนี่ประเมิอนออกมาแล้วว่าจะชะลอตัวมีการลดการเติบโตทางเศรษฐกิจลง นะครับนะพมีผลกระทบจากการระบาดของของไวรัสนี่แหละครับนะเพราะนั้นคงจะต้องมีมาตรการอย่างไรที่อาจจะให้ SME นะครับผนะู้ประกอบการรายย่อยอยู่ได้รัฐอาจจะต้องมีมาตรการที่จะอาจฉีดงบประมาณไปให้พยุงนะบริษัทรายเล็กรายน้อย SME เหล่านี้ให้อยู่ได้ นะครับนะอาจจะเป็นการให้กู้นะโดยดอกเบีย้ยต่ําจากแบงค์อะไรต่างๆเนี่ยให้กับ SME นะแล้วก็ให้เอสนี่ก็ไปจ้างพนักงานลูกจ้างนะเพื่อให้เขาได้ทํางานอยู่ได้ไม่ไม่ได้เลิกจ้างงานหรือไม่ได้ปลดออกนะก็จะสามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจได้ในในระดับหนึ่งแหะครับเพราะว่าถ้ามีการตกงานเลิกจ้างออกไปนี่ก็จะทําทให้ผลกระทบเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับจำนวนคน ว่างงานนี่ก็จะสูงขึ้นนะอ ย, อย่างที่เห็นแหลครับเราเห็นมีการคาดการว่าบัณฑิตจบใหม่นี่ก็จะว่างงานกันนะนับล้านคนนะเพราะว่าก็ไม่มีตำแหน่งงานเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่รู้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีอัตราที่จะจ้างนะเพราะตรงนี้นี่ก็ก็จะต้องพยายามที่จะแก้ไขนะฮะกิจการตรงนี้ให้ได้นะครับนะนะแล้วก็ในในส่วนนี้ก็จะมีอยู่หลายส่วนนะสนับสนุน ให้ในส่วนของอบรรดาผู้ที่จบใหม่มาบัณฑิตใหม่เนี่ยมาทำงานอยู่ในชนบทนะฮะในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆนี่นะได้รับงบจากรัฐบาลมาจ้างบัณฑิตหรือชาวบ้านเนี่ยเก็บข้อมูลในใ น, ในพื้นที่ใ น, ในหลายๆตำบลนะในหลายๆนะนะจังหวัดนี้ก็มีโครงการนี้เพื่อที่จะ ผอนคลายเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการว่างงานนะจ้างบัณฑิตบ้างนะครับในส่วนของนักศึกษาในส่วนของชาวบ้านนะไปในส่วนของเก็บข้อมูลนะอยู่ตามชุมชนต่างๆหรือไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพนะในแต่และตำบลทั้งทำน้ำผลไม้นะหรือแปลรูปน้ำผลไม้ก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของาการทำผลผลิตทางการเกษตรนะมาแปรรูปนะแล้วก็มา จำนายอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะในในเวลาที่วิกฤตนี้ก็ต้องช่วยกันนะก็ช่วยกันการที่มหาวิทยาลัยลงไปในในชุมชนนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นชาวบ้านได้นะครับในการที่จะทําทกิจการอะไรต่างๆนะแต่ที่สําคัญก็ต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ของของภาครัฐนะครับที่จะจ้างงานในในชนบทให้ให้มากขึ้นกว่านี้นะครับนะใน ในอดีตนี่ก็มีนะฮะมีการใช้งบประมาณมาจ้างนะในส่วนของคนหนุ่มสาวบัณฑิตทํางานในพื้นที่นะครับแตในหลายๆในหลายหลายแห่งก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับนในการที่จะให้บุคคลเหล่านี้ได้ทํางานนะครับแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนี่กลับมาทําเกษตรนะเ ศ, ร ษ, ะศ ร, รษฐกิจทํากา ร, กรเกษตรแนวใหม่เศ ร, รษฐกิจแนวใหม่ก็หลายคนนะครับตามหลักเ ศ, ร, ศ ร, รษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมาทําไร่ทํานาทํา ปลูกผักนะแนวใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็เริ่มเริ่มที่จะดีแล้วครับถ้าถ้าหันกลับมาทําอย่างจริงจังแต่ว่าก็จะต้องใช้เวลานะครับก็จะได้ผลนี่ก็ต้องใช้เวลานะกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะก็คือต้องการทํากันยาวๆนะทกาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่แหละครับนะเพราะตรงนี้นี่เขาคงจะต้องมีการส่งเสริมกัน ในระยะยาวนะครับแล้วให้คนหนุ่มคนสาวนี่เข้าถึงแหล่งสินเชื่อนะดอกเบีย้ยต่ำด้วยนะครับนะ <c oughs> คือรัฐเนี่ยจะต้องมีให้แบง์เนี่ยปล่อยนะครับทั้งทกศทั้งออมสินหรือแบง์อื่นต่างๆปล่อย ก, กู้ให้กับบัณฑิตคืนถิ่นนะหรือหลายคนก็ อาจจะเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์ r เอร์หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ไปทำการเกษตรในในพื้นที่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นเป็นการเริ่มตรงนี้ก็จะทำให้แก้ปัญหาวิกฤตกันได้ในส่วนหนึ่งก็ต้องช่วยกันละครับในในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรีเล่ามา ร่วมกันลดละเลิกสุบุรีสำหรับวันนี้ผมนิรันกุฑานานต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ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 ในความเลือนลางฉันเห็นนางกล่าวมาในมือถือยาดวงน้ามีความห่วงใยไม่จับมะคลำไม่รังเกียจกลิ่นไอฉันลูกชาวไรเป็นคนไข้จนจน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 หญิงสีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกไมา้าจากรายใจคนจนรับคำอวยพรที่บสนเลกกนให้เธอสุขโลนบนถนนสีขาว มีดม ด, ดวงจิตปวดร้าวกู้ยิงสีขาวเธอเก้าเข้ามายาเม็ดในมือช่วยบำบัดกายาปอยยิ้มเป็นน้าช่วยรักษาดวงใจเธอคือดอกมะ ช่วยอุปะทําคำจุนคนโสผู้หญิงสีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกมไม้จากร้าใจคนจนรับคำอวยพรที่บ่สนเล่กนให้เธอสุขล่น บนถนนสีขาวโปรดรับดอกมาจากไรใจมวนชน